เอ่อสําหรับพระวินัยวันนี้ ในสาธมิกวัคซึ่งมีอธิ 8 <c oughs> ความจริงคําว่าความเป็นพระไม่มีนี่ ต่อไปเวทีสบายนี่ถ้าใคร เพราะว่าพระวินัยนี่รู้หรือ คนอย่างนี้เพราะว่าไม่ ฤทัตตาไม่ตามไปดู ถ้าภิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอรู้อยู่ แต่ว่าท่านยังใช้คําปราณีอธิบายออก <c oughs> จึงต้องมีอารมณ์ละสังโยชน์ตั้งแต่ 3 ราย ให้ประหารภิกษุให้ประหารแก่ภิกษุอื่นต้อง อารมณ์โกรธแม้รากเหง้าของอกุศลราก ไม่มีมูลแกล้งหาว่าเค้าเป็น เป็นผู้เดือดร้อนไปเอง ให้การอยู่ร่วมกันก็เหมือนกันก็ <c oughs> ในเมื่อเขาเกลียดน้ำหน้าเราเราก็กลายเป็นคนมีศัตรู <Nicum> นักบวชเวลานี้มันก็คงแค่ ภิกษุสุวิวัยแกงอยู่ภิกษุไป คือมอบยอมให้ทําสังฆกรรม <c oughs> ก็มีสุมอบฉันทะคือว่าไอ้ฉันทะๆแบบนี้ ไปยังกันไปเพียง 10 สงฆ์กําลังประชุมกันผู้ เป็นนมากเวลาประชุมกันจะปล่อยแล้วเปเป 11 ให้หลังติเตียน ยேசு อื่นว่า ธัมมบัตรปาจิตตีย์โอ้ไอ้คนอย่างนี้นี่มันไม่ใช่พระเออไม่ <c oughs> ท่านไปแนะดี อย่างนี้ท่านปรับแปลงบรรพ ตอนนี้รัตนวัคที่ 9 มี 10 สิกขาบท 1 ภิกษุไม่ ดันเข้าไปในห้องท่านอย่าง เมื่อใบเตะเอ 5 ก, งง1 บาทนี่ ก็ปรับตามท่านเถอะปรับตามท่านเถอะแต่ว่า ไผปาจิตตีจิตๆแล้วมันไปไหนไอ้การด่วนพ่อ ถ้าว่าบอกลาซะก่อนก็ไม่เป็นไรสิภิกษุ เป็นนิดๆเป็นกับวิยะท่าน เมื่อไม่แต่ไม่แค่ถ้าทําให้นะง่าย 8 นิ้วพระจริงๆก็เวลานั้น 8 เวลา 8 นิ้ว 4, 4 เอาแค่ 8 นิ้วนี่มีอย่าเป็นมันเลย หกพีธุทำเตียงเรียร์ตั่งที่ห้มใดนุลต้องอาบัดภาจิตตีต้องรู้สึกก่อนจริงสันแดงอาบัดตกไม่เป็นกลัวมันจะโก้เกินไปเจติตการน่มนิ่มเจตพีธุทำผ้าปูนั่งเพิ่งทำให้ได้ประมาณประมาณนั่นยาวสองคืบสัสสุขตกว้างคืบหนึ่งชายคืบหนึ่ง ถ้าทําไม่เกินนั้นต้องบัดไป 2 ต, 2 โอ้โห ถ้าคนหนึ่งเค้าถวายมาก็เป็นเรื่อง กว้าง 2 คืบถ้าทําให้เกิน 4 คืบ 2 คืบ เก้าวิสุทำผ้าประมาณ 6 ต, 2 เก อน, าา นะ, ว, ว2 คนจำไมนันโตขนาดไหนแค่สมัยอยุธยาก็โตกว่าสมัยนี้ตั้งเยอะแยะเปดิถึงว่าเราจัดเอานิฟุตดีกว่านะได้ง่ายๆดิแต่ว่าเล็กกว่าปริมาณที่ท่านห้ามญาติไปมากก็เป็นการสมควรจะได้วัดก็สะดวกสะดวกสิภิกษุทำจีวรให้เท่าจีวรของพระสุโขทกก็ดี ประมาณ 9 คืบกว้าง 6 4 ข้อ ภิกษุรับของเคียวของฉันแด่มือนางเขา ทำจริงนั้นจริงนี้ถวายเธอพึงไล่นาง สามภิสุทธิ์ไม่เป็นไคลเข้าไม่ เขาไม่พระแล้วเข้าไปวนเลวเกินไปชาวบ้าน เป็นอย่างนี้ไม่ใช่จริยาของ แจ้งความไว้ก่อนด้วยมือของตน เอาแล้วก็ดีแล้วนี่แต่เอาไว้ผม เป็น 4 หมวดหมวดที่ 1 เรียกว่าสารูปหมวดที่ 3 4 ที่ 1 มี 16 2 เราจักนุ่งหรือว่าเราจักห่มให้เรียบ กายด้วยดีขณะ 5 กับ 6 เอาล่ะสําหรับวัน พระบาลีว่า ถ้าทํายังไงๆจงอย่า หมายความว่าทําขึ้นมาเป็นประโยชน์ 4 4 เห็นได้แก่กสิณสี ก็ต้องทํา 15 ครบถ้วนไม่ 10 ครบถ้วน 3 4 ครบ 4 มี 5 4 ได้ เป็นอันว่าจริยาใดๆสมเด็จพระปี 365 วันวันหนึ่งเรารับฟังกันสีเที่ยวนึงเรารับ ก็ต้องคิด